ฟังธร ร, รักษาศีลเจริญภาวนาก็มีบทหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาให้ญาติโยมได้พิจารณากันที่บอกว่าอัตนาโจทยตานังปฏิมังเซตมัตนา โอั ต, ตคุตโตสติมาสุขังพิขุวิหาหิสิถึงใช้ความหมายแปลว่าจงเรือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตนด้วยตนเองภิกษุเอย๋ยถ้าเธอคุ้มครองตนได้มีสติรอบครอบเธอจะอยู่เป็นสุข สุขขังพิุขวิหาหิสิอะไรก็ตามสุดท้ายก็คือเมื่อมีสติรอบค้อบเธอจะอยู่เป็นสุขคำนี้สมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบถ้าเรามีสติรอบข้อบไม่ใช้อารมณ์ไม่ว้วาไมุ่ลผันผันเล่นไม่ ใช้แต่ความรู้สึกหรือใช้แต่ความคิดตัวเองบางทีความเป็นตัวตนของเรามันมากโดยเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปก็ยังคิดว่าถูกบางเรื่องมันก็ไม่จำเป็นต้องต้องถึงกับ เอาเป็นเอาตายหรือมันต้องแบบให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยอยู่แบบสบายดีกว่าถ้าเราคุ้มครองได้โยมก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนท่านผู้เหตุภัย ใช้คำนี้นะดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัดตะสงสารสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อใครก็ตามได้อบรมเจริญปฏิบัติเต็มที่นะ ทุกคนสุดท้ายจะเกิดคำว่าเบื่อหน่ายไม่ใช่น้าเบื่อนะเบื่อหน่ายคนละความหมายกันเบื่อหน่ายแล้วเกิดความกำหนดรู้ถึงว่าเราควรที่จะจังใคร จากความกำหนัดเราควรหยุดความวุ่นวายสู่ความสงบเราหยุดความเร่าร้อนสู่ความดับเย็นสิ่งที่ไม่รู้ทั้งหมดเราทำให้เกิดความรู้แจ้งในสัจธรรมชีวิต นั่นแหละเป็นหนทางอันประเสริฐสูงสุดที่พ้นจากสังโยชน์อันเป็นเครื่องรัฐสัตว์แหวนโยมลองคิดดูนะใครก็ตามที่ได้อบรมตนบําเพ็ญตน ในจุดเริ่มก่อนเขาเรียกสร้างให้มีภูมิก่อนเหมือนสแสวงหาสิ่งนั้นให้เกิดมีก่อนแล้วเราจรึงใช้สิ่งนั้นให้ก่อประโยชน์ขึ้นมาให้มีอา น, นิสงส์เหมือนการเจริญสติอบรมบ่อยๆเข้า ทำให้จิตเนี่ยมันรู้นะยมเชื่อไหมว่าจิตเป็นสิ่งวิเศษสุดมันเป็นยิ่งกว่าแสงสว่างเพราะจิตนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างคนพอจิตวิป ร, ริตวิป ร, ราช ช่วงนั้นก็เท่ากับ ว, ว่าไม่มีสาระอะไรเลยชีวิตจะหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจต่อให้สวมใส่อะไรอยู่มันก็ไม่มีค่าโยมนึกถึงคนบ้าเลยกันในตอนที่เสียสติเลยให้สวมอะไรอยู่ถามว่ามีค่าไหมในเมื่อคุณค่าชีวิตมันหมดไปแล้วสิ่งที่สวมอยู่ มันก็คือแค่ราคาของวัตถุแต่คุณค่ามันหมดไปดูคนกำลังโกรธไล่แทงคนนั้นฟันคนนี้ต่อให้ประดับอะไรอยู่ก็ไม่มีความงดงามเลยไม่ไมแต่มาบอกเออเรื่องจริงเนาะพอสติจเจริญได้เต็มที่นะ ไม่ว่าคนนั้นคือใครสุดท้ายคำว่าความระลึกเกิดขึ้นในชีวิตจิตบิญญาณความระลึกเกิดขึ้นในจิตบิญญาณถามว่าระลึกอะไรบุญบาป Son, กุศลอกุศลระลึกถึงการกระทําชั่วดีรู้ถึงคำว่าผิดถูกนี่คือการรู้แบบนักปราชญาใครก็ตามผิดเลวมาจากไหนเพียงไหนขึ้นนะรกคุมไหนมาตมาบอกไม่ใช่คือปัญหาแต่เขาคือนักปราชญ ที่จะบรรลุคุณธรรมในภายภาคหน้าแม้เทวทัตก็จะเป็นพระปัจเจกในภายภาคหน้านี่ไม่ใช่ธรรมาพูดเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนทรณีจะสุบจมลงสู่พื้นทรณี จิตนั้นได้ระลึกเลยได้รู้เลยว่าสิ่งที่ตนทานั้นมันเป็นอาโสษมันเป็นบาปมันเป็นหนทางแห่งทุกขติยกมือท่วมหัวเลยวันนัแต่ด้วยผลกรรมมาถึงแล้วต้องไปชดใช้เชก่อน เหมือนบางคนจะกลับตัวแต่มันตัวเหมือนมันไม่ทันแล้วคำว่าสายไม่อยากจะพูดแล้วมันสายการกลับตัวไม่มีคำว่าสายแต่มันอาจจะไม่ทันการเพราะกำหนักมันให้ผลแล้วเหมือนพระเจ้าอาชาติสตรู ถ้าใครเรียนมาศึกษามาหรือได้ฟังจากครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าพระเจ้ า, าชาติศตรูโดนพระเทวทัตเสียมสอนแบ่งกันนะว่าในพุทธจักรเราจะเป็นใหญ่อาณาจักรให้พระเจ้ า, าชาติศตรูเป็นใหญ่เราจะมันก็ เป็นพระเจ้าแทนท่านก็เป็นพระราชแทนผู้เป็นพระราชบิดานี่คือจุดเริ่มต้นก่อนพอจุดจบวันที่มีข่าวดีหนึ่งและข่าวร้ายหนึ่งมาพร้อมกันอยากให้พ่อตายทุกวิถีทางจนให้ถึงอดอาหาร วันนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูศสนาบาดมาทูลว่าข่าแต่ราชันผู้เจริญบัทนี้มีข่าวดีจะทูลและข่าวร้ายจะทูลพระเจ้าค่ะงั้นรีบบอกข่าวดีมาก่อนบัทนี้พระองค์ได้ประชุดราชโอรสแล้วพระเจ้าค่ะ พระราชโอรสพระโอรสประสูติแล้วพระเจ้าค่ะดีใจความรักที่ไม่เคยมีคำว่าความเป็นพ่อที่ไม่เคยมีในกายนี้ก็รู้สึกขึ้นว่าความเป็นพ่อ รักลูกขนาดนี้เลยหรือมันเกิดขึ้นมาในทางจิตวิญญาณอย่างจับใจนึกหวนถึงว่าเราได้ทำกรรมกับพ่อไว้ยังอดอาหารอยู่ใจนึกแล้วว่าเราจะต้องมาบํารุงผู้เป็นบิดาเราใหม่เราได้พลาดแล้ว เอารีบบอกมาข่าวร้ายบัดนี้พระราชบิดาสิ้นพระชนแล้วพระเจ้ากัดเท่านั้นละโยมฟ้าผ่าเปรี่ยงไม่ใช่ยอดเจดีย์หักหรือขาดแต่ตัดหนทางมรรคผลนิพพานฟังให้ดีนะครับตัดหนทางของมรรคผลนิพพานในชาติ ปัจจุบันทันทีเปลี่ยงโลกแห่งพระมาขสิ้นสุดในบัตรนั้นทันทีมาทราบตอนไหนตอนที่พระเจ้าอาชาติสตูได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ประชุมสง แล้วประกาศในถ้มกลางสงว่าถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ได้ทำกรรมหนักเป็นปิตุขาตไม่ทำอนันตรยกรรมวันนี้พระเจ้าอาชาติศตรูจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่กระแสพระอริยโสดาปติผล แต่ด้วยเหตุอาคูช น, นี้มากางขั้นเป็นอนันตริยกรรมห้ามมักผลผ่านไม่ได้กรรมมันหนักโอ้โหฟ้าผ่าให้ร่างกายตายยังดีกว่าให้จิตนั้นมืดบอด สุดท้ายมักผลไม่ได้แถมยังต้องไปสู่ในนรกต่อและกรรมนี้ไม่ธรรมดานะลูกก็ขาพพออีกพระเจ้าชาติสตรูถูกลูกชายฆ่าลูกชายของพระเจ้าชาตตรูถูกลูกชายฆ่าฆ่ากันอีก6 7เจ็ชั่วโคต จนเป็นที่เอือมละอาเปลี่ยนเปลี่ยนสายเลือดของกษัตริย์ใหม่สถาปนาใหม่ลูกข้าพ่อมาลูกข้าพ่อลูกข้าพ่อหกเจ็ดรุ่นต่อตอต่อตอตเก้าพาดครั้งแรกเท่านั้นเอง ความวิบัติหายนะไปสู่ลูกหลานเล็ดหลนจุงบอกเออวิบับกอะไรมันส่งผลให้บุคคลเหล่านี้มาเกิดลูกข้าพ่อกันทั้งหมดจนสุดท้ายโดนล้มอำนาจเปลี่ยนสถาปนาันราชันองค์ใหม่ ฟังแล้วสยองเนาะนีแต่ลูกดูแลพ่อแม่กับลูกข้าพ่อมันเป็นบาปไม่รู้จะบาปยังไงโยมเอ้ยเลวอะไรก็ไม่เท่ากับเลวที่ไปทำลายผู้บังเกิดทำลายผู้ไม่มีกิเลสทำร้ายพระพุทธเจ้า ทำสงที่ดีให้แตกความสมบีกันีกเวรถูกกลางกันมักผลนิพพานนี่แหละเป็นเหตุพะจิตได้ละลึกสำนึกได้พระองค์ก็เสียใจนะ มีความโศกเศร้าเสียใจโฉมม น, นุษแต่เราเรียกกลับมาไม่ได้มนุษย์สิ่งที่ทำไปแล้วเราเรียกกลับมาแล้วก็แก้ไขใหม่ไม่ได้น่ากลัวนะจะทำอะไร อย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าคิดแต่สนองตัวเองบางทีมันมีบาปกรรมอยู่เอาสติระลึกให้ดีๆเช่ก่อนจริงบอกว่าจงเตือนตนเองด้วยตนเองเพราะไม่มีใครสอนเราได้ตลอดชีวิตหรอก อาตมาเองพ่อแม่ก็สอนได้ไม่นานท่านก็จากไปครูบาอาจารย์อยู่วันดีคืนดีท่านก็จากเราไปแล้ววันนั้นจะให้ใครสอนตัวเราจะให้ใครมาเตือนเราก็ตัวเราเองนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าคุ้มครองตนได้เราจะมีความสุขไม่ตกไปในอบายภูพูช่วงหลังจะพูดบ่อยเรื่องอบายภูพูมันใกล้เข้ามายังไงไม่รู้มันชัดขึ้นยังไงไม่รู้เลยบอกให้ฟัง ไม่ใช่จามาใจลงไปนะไม่ใช่กลัวโยบใจลงไปมันใกล้ให้เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูไม่ได้ถ้าบอกจิตยิ่งสะอาดจิตยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่มันก็เหมือนกระจกใส มันก็ส่องเห็นรู้ตามเหตุปัจจัยของความใสของกระจกไม่ใช่อยากรู้แล้วจะรู้ไม่ใช่ไม่อยากรู้แล้วจะไม่รู้ดูมบกมันอยู่ที่ภูมิธรรมจิตของแต่ละคนจริงบอกเออเรารู้สึกและสัมผัสกับมัน มากขึ้นเรื่องภูมิของทุกขติมันรู้สึกอยู่รอบพวกเรานะโยมยันเรียก ว, ว่ามันอยู่พุ้นบแมนเดยอยูจจ่อเนี่เดวนะ่ะคือมันไม่ได้อยู่ไกลเนอะอวยนาะอวยลังก็พอโหลดฟุนาเดยคือหันหน้าหันหลังก็ปากนะ่น ก็ตรงนั้นแหละอยู่รอบๆโดยเฉพาะจิตในจิตของเราโยมต้องดับไฟ้ะก่อนโทสะคิโมหคิราคะคิทิวานะไฟคือโทสะโมหโลภะทั้งหลายเนะี่ย ให้มันร้อนต่กายเจตใจต้องให้มันสงบให้มันเย็นถ้าไม่สงบเย็นเอาจิตระลึกตั้งอยู่ตรงนั้นแหละอย่าเพิ่งเคลื่อนอย่าเพิ่งย้ายไปไหนดูจิตเข้าไปดูคนปฏิบัติธรรมฉลาดเขาเรียก เพ่งมองดูจิตเพ่งมองดูจิตจ้องมองชีวิตมองมาเนี่ยจนรู้เท่ารู้ทันอารมณ์จิตอย่างนี้เกิดอย่างนี้ <c oughs> เมื่อไม่กี่วันอาตมาเอามือตบโตะ๊ะไปทียมรู้ไหม ตบโตะแล้วหันบอกโยมตบไปอย่างนั้นแหละบอกทำไมระบายความรู้สึกกับโต๊ะโตะไม่มีวิญญาณอ <c oughs> ช่เหมือนเถอ <c oughs> เล่นไปให้ดูอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจข่าวก็ไม่มีข่าวดีติดต่อมาหลายหลายรอบแล้วบอกว่าเอาข่าวดีมาบอกบ้างได้ไหม มีแต่ปัญหาปัญหาไม่จบไม่สิ้นตบโต๊ะเฉเลยตกจบไม่ได้โกรธใครนะแต่อะไรมันไม่ได้ดังใจสักอย่างเลยแค่นี้แม่ตบแรงตบแรงเก็บมือโง่อีกนะฮะจบพอสมควรแต่บอกตัวเองเออเอาล่ะได้แสดงแล้ว แค่นี้จบแล้วไม่ได้มีโลภมีโกรธมีหลงรู้ว่ามันอะไรก็แม่ไม่ได้เลยหัวใจนี่แต่สติเราก็ระลึกรู้อยู่แล้วก็หัวเราะยิ้มที่ยิ้มก็ไม่ได้สนุกหรอกมันบทนะบทมันแสดงที ถึงบอกว่าพอเรารู้เท่ารู้ทันนะคำว่าความเป็นผู้ใหญ่เรื่องจริงว่าพรหมวิหารธรรมจริงนะใครที่เป็นผู้ใหญ่พรหมวิหารนี้ขาดไม่ได้จริงๆสุดท้ายจิตต้องบงังเฉยต้องไม่ยินดียินร้ายทาั้งๆที่มันร้ายอยู่แล้วตอนนี้แต่ก็ไม่ยินร้าย ทั้งที่มันดีแต่ก็ไม่ยินดีเพราะเราต้องเจอสิ่งนี้อยู่แล้วโอ้ที่ไหนไม่มีอุปสรรคที่ไหนไม่มีปัญหาที่นั่นคือไม่มีชีวิตอยู่ตรงนั้นและไม่มีคนร่วมงานกับเราเลยไม่ได้มันต้องมีโภชอาหารเรอาอความเป็นผู้ใหญ่เราต้องวางว่ า, วา วางตัววางองค์วางจิตวางใจวางอารมณ์ทุกส่วนน้อยใหญ่เอาเหลือแค่เหตุแล้วก็ผลเท่านั้นเหตุแล้วก็ผลโยมเจอแดดร้อนโยมบนว่าร้ อ, น ม, น, อ, รอ น, มนมันก็คือร้อนไม่บ่นมันก็คือร้อนวายๆมันก็คือร้อนควรเลือกกอขอคอเอาให้วงเล็บก็ได้ เขาคิดถูกคิดผิดก็ได้ เ, เติมในช่องว่างก็ได้ดแต่รู้ถึงจุดนี้จิตต้องวางเป็นเฉยเป็นอั้นก็ช่างมันอัดอั้นตันใจอัดอั้นตันอุราเออไม่เป็นไรรู้เท่ารู้ทัน พระมิหารธรรมอยู่ตรงนี้มีความเป็นผู้ใหญ่บอกเออพรมมิหารธรรมมันต้องมีเมตตาก็ต้องมีมันต้องมีมงมมงมใครได้ดียินดีด้วยไม่อิจฉาใคร ใครทําดีโมทนาด้วยไม่ไปขัดขวางความดีของใครดีไม่ดีช่วยซะอีกเราก็ได้บุญไปด้วยปกสติลราลึกรู้จิตเราตามรู้แล้วในเมื่อมันไปไม่ได้มันก็ต้องหยุดอะไรจะเกิด มันก็เกิดในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วมันได้แค่นี้จะยไงร้องตะโกนไม่ยอมร้องไปเถอะฟ้าเขาคงไม่สนใจมนุษย์คนๆหนึ่งร้องไปทำไมร้องว่าไม่ยอม ไม่ยอมใครกูไม่ยอมถามว่าไม่ยอมใครถขงบอกเออมนุษย์อริยมรรคอริยผลอยู่ตรงไห น, นปัญญาปัญญาเกิดอยู่ตรงไห น, น ทำเรื่องร้ายๆให้บันเทาทำเรื่องเบาๆให้เสื่อมหายสภาพกิจทั้งหลายได้มาด้วยปัญญาที่พิจารณาแล้วเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆๆๆที่สุดมันก็จะดีบอกบางอย่าง มันมีกรรมวิบากอยู่ด้วยโยมยังไม่รู้เองตรงนี้บางคนเริ่มตอนก็เลิกผ่านนาทีดีดีเมื่อนี้เมื่อดีสวัสดีมงคอนาเานอะไรมีสายทีนไหมเดี๋ยวจะผูกข้อ ม, มือหน่อยสิแลให้ฟังสักกัน มันเป็นมงคลชีวิตแต่พอถึงบทขันติบารมีเราไม่ใช้ขันติบารมีสอบตกเขาบอกสอบอารมณ์กันอยู่เรื่อยกับมาฐานบอกเออไปนั่งเล่านั่งถามกันเ อ, อ้าไม่เป็นไรใครติดอารมณ์ใกล้ครูบาอาจารย์แก้แต่สอบจริงๆเนี่ยไม่มีชั่วโ ม, มงบอก ไม่มีข้อสอบใดตัวไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวหรือเรื่องในตัวก็ได้ทุกทิงทุกอย่างมาทั้งความรักและความฉังข้อสอบมาทั้งสมหวังผิดหวังข้อสอบมาทั้งลูกเราแล้วก็เมียเราด้วยข้อสอบแล้วมาทั้งใจตัวเองความคิดตัวเองด้วยยมรู้ว่ามันเป็นข้อสอบหเปล่า ไม่รู้ถ้าไม่เจริญสติอยู่ตลอดไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันวันนี้โกรธไปแล้วสอบตกไว้ตกไม่ใช่ตกธรรมดาตกกระทะด้วยไม่ใช่ทองคำนะทองแดงนะยตกตก วันนี้เกิดการมราคะโอโหต้นเงิ้วงดงามบานสะพรั่งเลยนะอยากขึ้นแล้วมันของคนอื่นเขานะนสามีก็ดนะูมันดูดีจังของเรานี่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยอ่าอ่าอ่าตั้งท่าจะปีนแล้วไงคิดแค่นี้ก็เตรียมจะปีนแล้วนะั่นแะ ประถกผ้าก็ปีนเลยยอมไม่ได้จิตรู้แล้วออมันสอบตกวันนี้ตกเรื่องกาบอีกวันหนึ่งแม่เห็นวัตถุของลอดตาเห็นแล้วมันอยากได้จังเลยถ้ายมอยากได้ทั้งหมดโลกใันนี้โอ้ยไม่พอหรอกเวลาชีวิตไปยืนอยู่แผ่นดินตรงนี้มองอุ้สวยจัง อยากได้เข้ากรุงเทพเห็นตึกสูงอยากได้เห็นคนเดินมาสดอยากได้เอามันไม่ใช่ขนมนะเห็นแล้วจะกินเอา้ากินเอาชอบตกบางคนตกตั้งแต่เริ่มจากคาว่ามโนกรรม บางคนสอบตกพูดไม่เลเรื่องเลยตกด้วยคำพูดบางคนตกด้วยการกระทําผิดแบบบ้านแบบเมืองผิดจริตประเพณีผิดวัฒนธรรมผิดศิลธรรมผิดกฎหมายไปใหญ่แล้วไม่ได้ยมรู้ไหมว่าข้อสอบออกทุกวัน เอนท้านทุวันพวกเราจะขึ้นมาอะไรได้หรือเปล่ายังไม่รู้โซดาปฏิบัติแต่ที่ต้รู้โซดาดันเนี่ยทุกวันะดันตะพุทธดันจนหน้าแดงเลย่ะด้านกันอยอะวันนี้ขันติบา ร, รมีสอบตกวิริยะบา ร, รมีวันนี้สอบตก กุเบขาบาร ม, รมีวันนี้สอบตกเห็นหข้อสอบแต่ละวันออกไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าวันนี้เราเจอเรื่องอะไรเมตตาบารมีสอบตกตกรู้ปะไม่รู้ยง ทรนงว่าฉันเนี่ยสีนแปดยินอยู่ขาดเดียวโถ่เอ้ยสีนแปดขาดเดียวยังมากก็เหลือสีย่ยังเข้าใจว่าตนเนี่ยหืมศี น, นี้เนยบยอมแปลออกไหมเนียบแจ้วอะไรครับนวาศีนแจ้ว แต่ใจทำไมมันร้อนนะอยู่กับศีลแต่ขาดสมาธิมีสมาธิขาดปัญญาได้แค่นั่งทือๆเหมือนไม่มีคมเงี้ยดอกไม้ไร้กลิน่นเขาบอกดอกมะลิดมจะติดจมูกแล้วกลิ่นมันอยู่ไหนวะเนี่ย และโยมเชื่อวันดอกมะลิไม่ใช่ดูเหมือนมะลิแต่ไม่ใช่มะลิดูเหมือนว่าเรามีธรรมะแต่จริงๆธรรมะไม่มีดูเหมือนรักษาศีลแท่ศีลไม่มีตายบันนีลนะไม่มี ทำไมายังบอกเออคนภาวนารู้ไม่ว่าโดนสอบอยู่ทุกวนันทุกวนันมรคามาคามาคาเกิดไม่เกิดสอบทุกวนันรู้ไม่เท่าหนึง่งรู้ไม่ทันสอบเสียรู้ไม่ทันจิตระลึกไม่ทันสติสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับ ไม่วิจนอาอดีตไม่กำหนดรู้ปัจจุบันไม่มองการที่จะมาที่จะถึงในอนาคตปัญญาไม่มีมีแต่สมองแต่งไร้ปัญญามีแต่ความจำแต่ขาดสติละลึกในคุณธรรมทั้งหมดอาตมาเจอคนฉลาดเยอะ ฉลาดแบบไรจัญญายัคนสวยก็มีสวยแบบไรสีบางคนดูสงี่ยมแต่ไม่สงบมันต้องสงบแล้วก็สงี่ยมมีกมาวามโชว์รัชจาความสงี่ยมแต่ขาดความสงบ น า, นานๆเข้าคุมไม่ได้อารมณ์ฟูฟูฟูแล้วก็ฟุ่งสำคัญถ้าเราจเจริญสติดีๆวันหนึ่งวิปัสสนายานจะเกิดเหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถยมประพาสอุทยาน เห็นคนแก่ได้สติว่าเราต้องแก่น้อมความแก่เข้ามาเห็นคนเจ็บทั้งๆ ท, ที่ยังแข็งแรงอยู่นะน้อมว่าเรามีความเจ็บป่วยไข้เห็นเป็นสภาพทุกข์เห็นคนตายน้อมชีวิตสู่ความตาย เขาเรียกว่าเจริญมรณนะสติมีอานิสงส์มากนะการได้พิจนารณาถึงความตายมรณนะสติทำให้ไม่ประมาททำให้ไม่มั่นหมายในชีวิตที่เป็นจนเกินไปพอได้สติพระองค์ทราบน้อมแก่น้อมเจ็บน้อมตาย หาทางออกแล้วเราจะไปทางไหนเหลือบเห็นสมณะนั่งสงบดับเย็นกายสงบนิ่งใจไม่ปรุงแต่งว้าวุ่นดับเมื่อทอดไปนเห็นแล้วเกิดความเย็น ดับเย็นสงบด้วยศีลสงบด้วยธรรมผู้เห็นก็ดับเย็นเอาอย่าลืมว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่คนธรรมดาบำเพ็ญมาหมดทุกรูปแบบ ศีล ส, สมาธิไม่ต้องพูดถึงทมฌานมาไม่ต้องบอกเลยเพราะกว่าจะลงมาครั้งนั้นก็ยังอยู่ในฉันดูสิมีนามาดูสิเท่ธรรมดาหรือไม่ธรรมดายังเยาว์วัยนั่งเข้าฌานสี่ต้ตนว่าลมเงาบางกลางแดดเปรี้ยงเที่ย ง, ย ง, ยงควันอัศจรรย์ อาเ ท, ที่ยงวันแดดต้องตรงศรีรษะแต่ไม่เงาว่าบังได้นี่เป็นเสิ่งที่เห็นว่าพระองค์ไม่ใช่เพิ่งสแสวงหาธรรมไม่ใช่เพิ่งสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐสุดในโลกแห่งมนุษย์ภูมิหมดน้อยใหญ่ทั้งหมด สามสิบเอ็ดูเหลืออีกหนึ่งเท่านั้นคือโลกุตระมรสีผลสีนิพพานหนึ่งใชว่าโลกุตระจิตเราข้ามผลตรงนั้นฉะนั้นระหว่างสะพานที่จะข้ามสู่นรกสู่ทุขติ ในภูมิทั้งสี่แห่งสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายชุรกายผ่านสู่ภูมิของมนุษย์ผ่านสู่ภูมิของเทพพรมอีกจนถึงเข้าสู่อริยมรรคอริยผลขั้นสูงสุดอย่าบอกแม่ว่าพวกเราไม่เคยตกนรก เอาปัจจุบันก็พอใครยังเคยมีความโกรธอยู่บัดนี้ฟันทงไปเลยตกนรกมาแล้วทางนั้นแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังะระลึกได้ว่าจิตอย่างนี้ก็ยังเหมาะแก่การตกนรกอยู่เช่นเดียวกันแต่ถ้าความโกรธของใครดับ มีสิทิแล้วนะว่าไม่ตกรักษาศีลดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นคือเหตุที่เราจะข้ามพ้นทุกข์กติก่อนพวกเราก็ปฏิบัติจึงบอกภูมิเนี่ยมันค่อยๆเจริญขึ้นอาศัยจากนี่แหละศีล ส, สมาธิปัญญา และพอเริ่มถึงจุดหนึ่งการเสียสละจะมากขึ้นการเสียสละจะมากขึ้นการให้จะมากขึ้นการแบ่งปันจะมากขึ้นจนถึงชีวิตไม่ได้เห็นวัตถุเป็นสมบัติอีกเลยเป็นเพียงปัจจัยสี่ที่ใช้ใจ่ายอยู่เท่านั้น แต่ไม่คิดว่าสิ่งนั้นมันจะมีค่าอะไรมากมายกว่าภายในที่ตนมีอยู่แล้วแต่มานั่งดูจุดนี้นะกำหนดดูจิตของพระอริยพระอหรหันต์ทำไมไม่หวั่นไหวโลกที่มีกระแสโดยเฉพาะโลกกระถับ ทำไมไม่หวั่นไหวทุกข์ไม่หวั่นไหวคําว่าสุขทั้งที่เคยสุขทุกข์กันมายึดติดกันทั้งนั้นลาบแม้เจรเสื่อมทําไมไม่ตกใจแม้ได้มาทําไมไม่ยึดติดกําหนดดูท่านนะเรากลับ บุคคลเหล่านี้เขาอยู่เหนือกว่าเราจุดไหนเรากราบเขาตรงไหนไม่อย่างนั้นอานิสงส์มันไม่ปลืม้มไม่ปลืม้มวหายสามวันก็เบื่อแล้วนี่วหากี่ชาติก็ไม่เบื่อบางทีบอกขอบขอเป็นบ้างสิแน่ ง่ายดีนะขอเลยหน้าด้านจริงอยากเป็นขอเลยปฏิบัติเลยแล้วขอเป็นบ้างสิมันขอไม่ได้่านใจดียังไงตอนก็นให้เราไม่ได้เพราะอะไรนี่มันเป็นคุ ณ, ณธรรมเป็นภูมิจิตของแต่ละจิตพ่อแม่ให้กันไม่ได้ลูกเมียให้กันไม่ได้ถึงแชมว่า เป็นอริยทรัพย์จัดว่าเป็นทรัพย์ภายในดูดูต่อยท่านมีชีวิตปกติตรงไหนดูท่านก็แก่นะแก่พอเราเะ่นกน ท่านก็กินนะท่านก็เข่ขงน้ำเหมือนกันนี่ถึงเวลาก็นอนนี่ได้เวลาก็ตื่นกิ จ, จวัตรไม่ต่างกันโซดาบันกิ จ, จวัตรกับเราไม่ต่างกันเพราะอะไรอาศัยธาตุสีเหมือนกันพิเศษตรงไหน ไม่เลยแกเจ็บตายเหมือนกันเอาละงั้นหมดสงสัยร่างกายตัดทิ้งเสมอกันดูที่คำว่าศีล ส, สมาธิปัญญาชัดใช่ไหมดูที่ศีลสมาธิปัญญาเอามาเทียบที่ ท่านอยู่ปกติยังไงเราอยู่ปกติยังไงเทียบดูดูท่านปกติของท่านไม่พูดร้ายการกระทำไม่ทำร้ายยืนยันว่าสดาบันต้องยืนจุดนี้ทุกทุกองทุกทุกคน นรกจึงไม่มีเพราะคำนี้เขาฆ่าเราดีกว่าเราทำลายเขาเขาทำลายเราดีกว่าเราทำลายคนอื่นสุดยอดเลยจิตไม่ได้อยู่กับร่างกายจิตอยู่กับศีลธรรมไปไม่ได้พวกเราตรงนี้แหละเพราะพวกเรายังบอกกู มึงของกูญาติกูน้องกูพี่กูกูเยอะมามันเป็นตัวตนอยู่นะเราไปไม่ถึงตรงนี้รามาบอกอกราบครั้งที่หนึ่งเริ่มต้นกอนแล้วตรงนี้หน้าหน้ากราบนะหน้ากราบลลึกก็ไปอีก ท่านมีภาวะจิตอย่างไรอารมณ์จิตเป็นอย่างไงฟูๆแฟดแบุนวายสงบหรือปกติอย่างไงก็ดู ถ, ถ้าอาริยะจริงนะไม่ฟูไม่แฟด ไม่ใช่วันดีขึ้นดีไม่ยืนสบัดไม่ใยวันดีคืนดีตะโกนวอยไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่อริยะบอกให้ฟังใครว่าใช่ธรรมาก็บอกไม่ใช่ภูมิจิตอริยะถ้าอย่างนี้มีคนเป็นได้เยอะ แต่ไม่ฟูไม่แฟรจิตของท่านสม่สำเสมอใช้คาว่าไม่วันไหวจบนะไม่วันไหวเรื่องทั้งหมดโลกเบนนี้จะไหลมาทางตาหูเชิอบุลินเหมือนมาทุกสายน้ำมารวมที่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลลงสู่มาเชิงบุตร ท่านก็ยังปกติอยู่ตรงนั้น เ, เราทำไม่ได้อา้าวงั้นกราบครั้งที่สองตรงนี้กราบท่านหรือมีใครน่ากราบกว่านี้โยมกราบพอลึกไปอีกชั้นนึ่งดูท่าน ดูดตรงไหนปัญญาแห่งความดับเย็นปุถุชนไม่มีคำนี้ปัญญาแห่งความดับเย็นพวกเราปัญญามีแต่โอ้โหบางทีปัญญาเลยโถดเลยโถด ของท่านเป็นปัญญาแห่งการยุติโลกทั้งหมดไม่มีเวนเป็นผู้ไม่มีเวนถามจริงพวกเราหมดเวรแล้วหรือใครรับปากว่าใช่แต่มาก็ไม่เชื่ออย่าง ปัญญาแห่งความดับเย็นเป็นผู้ไม่มีเวงแล้วปัญญาจุดเนี้มองอยู่เหนือโลกที่เรายืนนั่งเดินนอนอยู่ตอนนี้ท่านมองแบบไหนโยมรู้รอเปล่าท่านมองว่าที่สุดก็ว่างเปล่าที่มีอยู่ก็คือทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่และทุกดับไป ฟังดูเหมือนง่ายแต่มันต้องที่สุดของการปฏิบัติธรรมปริโยซาในท้ายที่สุดปัญญาแห่งความดับเย็นยมเจอไหมปัญญาของใครดับเย็น มีนักวศาสตร์คนไหนพูดถึงปัญญาแห่งความดับเย็นมีสาขาไหนพูดถึงปัญญาแห่งความดับเย็นจิตภายในจิตชีวิตที่มีอยู่ในชีวิตสุดยอดแล้วสองคำจิตภายในจิตชีวิตที่มีชีวิตอยู่ ปัญญาแห่งความดับเย็นนั่นก็คือปัญญาแห่งความดับทุกข์แล้วก็ก้าวออกจากทุกข์ท่านรู้แล้วอิดังโคปันนภิกขเวทุกขะนิโรธปฏิปัฏฐาคามินิยาอาริยสัจจัง พันรูด้ดขนทางแห่งการปฏิบัติในอริยสัจธรรมความดับการปฏิบัติถึงซึ่งความดับถ้าพวกเราไม่เข้าใจ กายแย่พีสุไม่รู้ก็ยังถือว่าเป็นโมคะอยู่นะสมัยก่อนพระพุทธเจ้ากล่าวคำนี้บ่อยนะโมคะโมฆะชนโมคะบุรุษคำพีเปล่าโอ้ฟังแบบนี้แสดงว่า เป็นผู้ไม่มีแก่นหรือหาสาระไม่ได้เลยหรือนับไม่ได้พอโมคะถือว่าท้นสุดนะไม่นับแล้วจบ โ, โยมอยากเป็นแบบนั้นไม่มีชีวิตห้าหกเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเป็นโมฆะชนโมคะบุรุษอาตมาตะกนบอกไม่ยอม ทำไมไม่ยอมเสียชาติเกิดเสียจริงๆนะโอ้โหเกิดมาเป็นคนไร้สาระเป็นคนนับไม่ได้เนี่ยมันไม่มภาษา ส, สมมุติแล้วนะคำนี้เป็นคนที่นับไม่ได้นี่มันโผดเถอะ นับไม่ได้ธรรมาถามโยมโยมเป็นคนนับได้ไหมอันหนึ่งก็ยังดีอะนสองก็ยังดีนับไปเรื่อยๆท่านั้นธรรมมาจึงบอกเออเราได้รักษาศีลเราได้ฟังธรรมเราได้ปฏิบัตินั่งสมาธิเราได้แผ่เมตตาเราได้รู้ถึงบุญบาป เรารู้ถึงกับว่าไม่เที่ยงโอ oh, แค่เนยโยมนับได้นะนับได้เพียงแต่ว่าเจ้าจริงหรือยังนี่คือคำถามนะว่าพวกเราปฏิบัติอยู่เล่นเล่นเล่นเล่ น, ลนว่า ง, างเบื่อเบือเงี้ยไปยากๆก็มาเงี้ย เบื่อแล้วก็ไปอีกเพราะเบื่อทั้งนู้นก็มาอีกเนะี่ยมันอะไรอันเนี้ยมันจะไปโลกุตระหรือโลกียะเวะเนี่ยสุดท้ายออมันไปสองโลคือโลเลอ๋อโลเลใช่ได้ใช่ได้ไดโลเลละล้ละหละังเออเอาเ อ, าเอานึกเลยว่า มันจะนานอายุพวกเราจะอยู่กันจะเจอกันอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้ม่รู้อาจจะมาลืมยมไปแล้วคนหนึ่งนะวันนั้นไปอิสานแวะผ่านก็นเลยแวะนึกถึงญาติถึงโยมเคยนั่งปฏิบัติพนะโอโหไปเห็นจำไม่ได้ ไม่ใช่สวยขึ้นเป็นกองนะแก่ลงเป็นขยะเล ย, ยเหมือนจะทิ้งแล้วอะโอ้อะไรก็มันมันจะทิ้งหมดแล้วอยู่โตาก็จะทิ้งหมดสั้นไปหมดโอ้ธรามานดูโยมก็พูดคำานึงนึกว่าจะไปได้พบพระอาจารย์แล้วนะอาจจะมาก็ นึกในใจก็คิดว่าจะมาไม่ทันเหมือนกันแต่ไม่พูดหรอกไม่พูดสงสารนะแล้ววันหนึ่งโยมก็เหมือนกันนะอยู่ๆหายไปทํมามก็ไม่รู้เอ๊หายไปตอนไหนไปดูทีหนังตาคำไม่อยู่แล้เย็บก็ไม่ติดแล้วยมไม่อยู่แล้วบอกมันมันเหลวหมดแล้ว ดึงตรงไหนมันก็หย่อนอีกที่นึงไม่ไหวแล้วเอา้าช่างอ่อนจะให้จิตของเรามันสดใสเบิกบานอิมเ อ, อิบร่าเริงพร้อมที่จะละขันห้าทบอกปัญญาแห่งความดับเย็นสุดยอดนะและแต่มาสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้ใช้ปัญญาแห่งความดับเย็นโลกใบนี้เรามาอาศัยอยู่ รูปนามขันเราอาศัยอยู่และศึกษาเพื่อให้เกิดเป็นทำอันนำพาจิตเท่านั้นที่สุดมันก็คือว่างเปล่าเคยมีใช่เคยเป็นใช่เคยได้ใช่แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป สุดท้ายโยมจะเข้าใจคำว่าเกิดดับนั่นแหละองค์พานาที่แท้จริงเกิดดับพระพุทธเจ้าแสดงนิโรธะแห่งความดับเกิดดับพอจิตถึงจุดนี้ปุ๊บ มันไม่อยากจะตื่นเต้นอะไรแล้วพอถึงจุดหนึงนะตามบอกโอ้โหจิตพระอรังหันพระอริยะนี่ที่เราต้องกราบท่านเองนะต้องกราบท่านนะถึงบอกโอโหสุดยอดเลยท่านถอดถอนสาสวกิเลสตั้งแต่เหตุเองความเกิดจนถึงชาติสุดท้ายที่ท่านกำลังจะละ สังขารธาตุขันโดยความไม่มีไม่เป็นไม่ยึดไม่ติดมีแต่ใช้ไปจนถึงสิ้นจากความยึดติดใช้จนไม่เหลือก็เมื่อความยึดติดของพวกเราใช้ไปมีแต่ความยึดติดอย่างเนี้มันไปไม่ได้เห็นไหมบอกเออแต่มานั่งดูแลลุกขึ้นกูเข่า พนมมือกราบงามงามก่อนโยมจะเจอธรรมาธรรมกราบสิ่งเหล่านี้มาก่อนม้เท่าไหร่แล้วแล้วเวลากราบธรรมาใช้จิตเนี่ยนะจิตที่เห็นธรรมะกราบทักกราบองค์ธรรมกราบองค์ศรรีกลกราบแห่งองค์ปัญญากราบพุทธทะที่เกิดขึ้นในจิตของพวกเรา ที่ปฏิบัติทุกคนเมื่อถึงจุดหนึ่งคำว่ากราบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนมัสการเอาพิวาสอะไรก็แล้วแต่สักกระกนแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นในจิตของผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นแลวพวกเราจะไม่อยาบนะจิตจะไม่อยาบและยมดูเรื่อยๆจากนี้ไปโลกนี้จะมีแต่ความวิบัติไปเรื่อยๆ ข่าวจะรุนแรงไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆมันจะสั่นสะเทือนไปเรื่อยๆมันจะแตกแยกไปเรื่อยๆมันจะเกิดวิกฤตไปเรื่อยๆทั้งพื้นดินทั้งท้องฟ้าเกิดหมดทั้งมรสุ่มทุกอย่างแต่ไม่ต้องตกใจ ยังไงยังไงที่สุดเราก็ต้องตายสบายใจได้นึกว่ารอดไม่ใช่ยังไงก็ต้องตายแต่เราตายแบบมีสุคติตรงนี้อน่าดีใจเราตายแบบมีสุคติไม่ใช่ว่าตายแบบนับไม่ได้นะตายแบบเรามีสาระ มีประโยชน์มีอานิสงก็สมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน